ผู้หญิงอันตรายของพระภิกษุสา ม, มนเณรทั้งบวดเก่าและบวชใหม่สิบสองอันตรายของพระภิกษุสา ม, มนเณรทั้งบวชเก่าและบวดใหม่ได้แก่เรื่องผู้หญิงพระเนมเราต้องไม่ประมาทตราบใดที่เรายัางไม่สิ้นกิเลสเราอย่าไปเปิดโอกาสให้กิเลสมันมาถล่มทลายเราคือว่าเราบวชมาแล้วเราหมดหน้าที่ของความเป็นโยมแล้วเราไม่มีสิทธ ที่จะไปคิดชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะการบวชนั้นต้องบวชทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมาเกี่ยวข้องเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราไม่ได้เป็นเด็ดขาดส่วนใหญ่โยมทำบุญตักบาตรถวายทานเป็นผู้หญิงเพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในครอบครัวในพระาศาสนาและในการสร้างคุณงามความดี ให้เราปฏิบัติตามพระวินัยให้เคร่งครัดหากมีเหตุจําเป็นให้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงต้องห้ามอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองหรือกับผู้หญิงหลายคนหรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับผู้หญิงไม่เขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ติดต่อกับผู้หญิงพยายามไม่ให้ผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับเราโดยการเป็นอุปถากส่วนตัวไม่เดินทางไปไหนมาไหนกับผู้หญิงไม่ไปบ้าน ไม่ไปในสถานที่ที่มีอุบาสิกาโดยไม่มีเหตุสมควรถ้าชอบให้โยมผู้หญิงเป็นโยมอุปถักรับผิดชอบนั้นแสดงว่าไม่ถูกต้องแล้วพระส่วนใหญ่ที่ตั้งใจว่าจะบวชไม่ศึกมุ่งมักผลนิพพานมักจะมาเสียกับผู้หญิงนี่แหละถ้าไม่ถึงกับศึกก็รอแร่หมดสภาพหาความเจริญได้ยากพระเราส่วนใหญ่บวชมาแล้วผิวพรรณก็ผ่องใสนิสัยก็เรียบร้อย มีความสงบมีสติมีปัญญาพูดก็เพราะเป็นสาเหตุทําให้ผู้หญิงชอบมาพูดคุยมาคุกคลีไม่ว่าสาวเล็กสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้ภรรยาเขาให้เราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหรือเป็นโลกวัชชะผิดทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าให้เกิดความเศร้าหมองให้เรารักษาพระวินัยเราเหมือนกับพระสารีบุตร ตอนที่ไปภาวนาในป่ากับพระโมคคัลลานะแล้วป่วยมีเทวดาได้ยินพระสารีบุตรสนทนากับพระโมคคัลลานะว่าเกิดได้ฉันข้าวมัทุปายาตแล้วหายจึงไปเข้าฝันชาวบ้านให้ทำข้าวมัทุปายาตมาใส่บาตรพระโมคคัลลานะจึงได้นำมาให้พระสารีบุตรฉันแต่พระสารีบุตรรู้ด้วยพระปัญญาญาณว่าอาหารนี้ได้มาโดยมิชอบเพราะมีเทวดาไปบอกชาวบ้านให้ใส่บาตร ท่านจึงให้พระโมคคลลานะเทข้ามัทุปยาทิ้งเสียทันทีที่ข้ามัทุปยาธ ต, ตกถึงพื้นโรคท้องของพระสารีบุตรก็หายฉับพลันการรักษาศีลของพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดมากทุกวันนี้พระกรรมฐานนั่งอยู่กับผู้หญิงโดยไม่มีผู้ชายนั่งอยู่ด้วยก็มีมากให้เราดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านจะไม่นั่งคุยกับผู้หญิงสองต่อสองถ้ามีเหตุที่จะต้องพูดคุย ก็มีพระเนมหรือโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้วยถ้าหมดธุระจำเป็นแล้วก็กล้าบอกให้โยมกลับบ้านให้มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามากกว่าเกรงใจผู้หญิงก็ให้พระเก่าพระใหม่อย่าไปหลงประเด็นให้ยึดเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีเราจะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ตามปรารถนา